เราทำกันเราก็มีการเวืงานเราก็พูดเรื่องการงานของเราให้มันเป็นส่วนที่ให้การงานเ้าหน้าลหลายอย่าง รุนแรงเข้าไปเวลานี้เรามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเป็ น, เ ป, นเป็นจริงงานที่เป็นจริงงานสำเร็จเจิดชื่นได้ไม่เหมือนงานอันอื่นงานอันอื่นไม่ค่อยจะสำเร็จ เรืนเรากินข้าวก็ติณข้าวอยู่ทุกวันเรื่องกินข้าวเรื่องกินอาหารก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องการใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับห ล, หลายๆอย่างมันก็เสร็จไม่เป็นให้เราไห่การมีงานหาเงินหน่อยทองได้เงินได้ทองมามันก็ไม่เป็นจริง อาจจะเป็นของเงนอื่นไปเปลี่ยนกันใช่ไปเน่ไร่มีนามี่อว่าเมื่เรือน่อาวรสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆแล้วก็ไม่เป็นของใครไม่เป็นเปลี่ยนกันใช่ไปต้องมีกายต้องมีจิตล้วก็ ไม่เชื่อฟังใครแล้วก็ไหลไปเรื่องตามเรื่องของเขาเอาจึงเอาจังกับการเกินไปก็ไม่ได้เราจรึงงาใช้ชีวิตให้อะไรที่มันวิเศษที่มันเด่นที่บัญโชวพอที่เราจะยกะหูือหวตัวเองได้เช่นเรามีสติเรามีความหลงเรามีสติ เรามีความทุกข์เราก็มีสติมีความทุกข์เรื่องใดๆมีสติเป็นงานอันนี้อาจจะเป็นงานชิ้นสุดท้ายเหมือกับเกิดเจียบตายได้ <c oughs> งานอย่างนี้เป็นงานชีวิตของเราจริงๆ การส่วนกินข้าวการหลับการนอนการหายใจการเคลื่อนไหวการหลบภัยไม่ใช่งานชีวิตที่มันเป็นส่วนของเราเพราะนั้นเราเป็นวิธีที่เราป้องกันแค่ปัญหาโชวหน้ากานร้อนก็อบน้ามะนาวก็ถึงมาหนาวผ็หมผ้านานเป็นงานแค่งานบันเทาไม่ใช่งานแค่ งานแช่จริงๆมันหลงเปลี่ยนเป็นรู้เป็นงานแค่เปลี่ยนหลงเป็นรู้มันทุกรู้เป็นงานแค่เป็นงานเปลี่ยนเป็นงานพัฒนาเป็นงานมนุษย์อานอื่นเป็นงานของของธรรมชาติของสัตว์โลกมนุษย์นี่ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งนอกจากสัตว์เดรัจฉาน แต่ว่างานที่เป็นงานคุน้ลุ้จริงๆเนะ่ยเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนทุกเป็นลูกเปลี่ยนโกรธเป็นลูกจนความโกรธความทุกข์ไม่มีจำนว น, นหมดไปอาจ น, นิยกก็ไหว้ตัวเองได้ชื่นพพชื่นชาติเหนือกว่าอันเกิดเจ็เจ็บตายอันนี้เป็นงานที่ตัวที่โชวกว่างานอื่นงานอื่นเนี่ย ก็วางฉันมาตัวเต่าเป่าฉันก็ไปตัวเปล่าฉันไม่ออาอะไรไปเลยเอาเงินใส่มือให้ก็ไม่เอาบางทีเอาเงินใส่ปากไปเผาไปแล้วเขายังไปคุยไปเคียเอาคืนทั้งหมดอันนั้นเป็นงานที่ฟรีไม่ค่อยจะ เป็นส่วนของเราได้มันก็เป็นอย่างนั้ น, นเมื่อเจื้อหนังร่างกายเรานี่อาหารดีๆกินลงไปมันก็ยังต้องปวดต้องเน อ, ตอเตาต้องเจรทญตตายไปไม่มียิ่งส่วนที่ ที่มันเป็นจริงที่เราจะพอที่จะพรมจอยคือเนี่ยคือสภาพที่หลงที่รู้เนี่ยสภาพที่ทุกข์ที่ไม่ทุกข์เนี่ยสภาพที่มันไล่เปลี่ยนเป็นดีเนี่ยดันที่ไม่เกิดอยู่กับกายกับใจเราเนี่ยมันทำเสร็จได้ให้มันเป็นงานมนุษย์จึงคุ้มค่าอันอื่นไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่อาจจะเสียเวลาได้แทนที่จะมาลู่เรื่องนี้กันบ้างก็หลงไปแต่พื้ตะพือไปแม้แต่ของที่มันไม่มีวัตถุสิ่งของเป็นรูปธรรมก็ยังหลงความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงความรักความชัง ดังเป็นใหญ่ในชีวิตเราบางทีตลอดพวบตลอดชาติบางท่านนี่มองเห็นอยู่บางทีก็ยังวางไม่เป็นเส้นคนจะตายไม่เจ็บย้องกับพานหายใจเอาหายใจมาเป็นทุกข์หายใจไม่ได้ก็เป็นทุกข์คนจะตายมันเจ็บปวดเอาความปวดมาเป็นทุกข์ เราจะย่อคยอมเรื่องนี้กันทําไมมันเป็นของอย่างนี้เกิดเจ็บเจบตายเป็นสมบัติของของทุกข์อยู่แล้วเราไม่ทุกข์ไม่ได้หรือเราจะมาเริ่มต้นเรื่องนี้นะ่ะห้เห็นเห็นมันหลงเห็นมันลูเรื่อยไปก่อนลาดไปลาดไปลาดไปเหมือนทางขึ้นเขาเดี๋ยวก็ขึ้นบนหลังเขาได้ เวมนุษย์ผู้ใจสูงเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายได้ถ้าเราไม่รู้จักเริ่มต้นมันหลงเป็นลูกมันก็ไม่ไปถึงไหนอาจจะพบควรไปเก่าทับถมเล่ามากกว่าเก่าก็ได้ในรถของโลกจนเป็นภาระหนักหนักหลายอย่างเรเรียกรวมรวมว่าขันนั่งห้า ตาลาหาเวเป็นจากคันธาขั น, ขนลังห้าเป็นของหนักตาลาหาโลจะปกโคโลผู้คนแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปาจนตั้งแต่เกิดจนตายต่างทั้งนี้ไม่ได้อะไรถ้าให้เราทำผิดคิดผิดไปเป็นทุกข์เป็นปัญหาเสียเวลา ทรานเเจ้าวางของหนักอันนี้ลงแล้วว่ารยโยะโอปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เราก็เห็นอยู่เราก็มีขันเนี่ยมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันเหมือนกับคนสามห้าคน แสงขันกันทำงานขออยันเจ้าสังขารก็ขออยันเจ้าวิญ ญ, ญาณก็ขออยันสัญญาก็ขยันเวทนาก็ขออยันจะแดงความเป็นใหญ่จนต้องเรารับใช้มันเวลาใดเวทนาเกิดขึ้นที่เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ต้องยอมสุขยอมทุกข์ไปกับเขา เได้เป็นสัญญาเกิดขึ้นกิดจุมไปย่อมเอาเอาความรักเอาความชังมานอนนในชีวิตใจของเราเราอะไรมั น, นปรงุงมันแต่งก็หมดเนื้อหมดตัวนอนก็นอนไม่ได้จินก็กิงไม่ได้เพราะมันปรงอะไรที่มันปรงมันก็ไปหมดดึงก็ชากรากหลบไปในรูปในรสในกลิ่นในเสียง แล้วมีมวัตถุมีตามีหูเป็นคู่กันวิญญาณก็พยายามติดเอาติดเอาไปจุ่มอะไรก็ติดแต่นั้นไปจุม่มโทุก็ติดทุกไปจุโมสุก็ติ ด, ตดสุขไปจุ่มปอดดีใจเสียใ จ, ใ จ, ใจติดปมดสลงพลังเหมือนดินพ่อขางหมูเรียกว่าวิญญาณนั้นเปเพื่อน ก็นึกว่าเราเป็นอุปทานเรานาเป็นตัวเป็นตนความสุขก็เราความทุกข์ก็เราตอนทั้งที่เจ็บปวดอยู่ก็ยังนึกว่าเราเพราะเรามัมีสติเราไม่รู้วันนี้เราจึงมาเปิดออกไม่ไมาเห็นแค่งมีสติเข้าไปแต่หลงเข้าไปย่อยเข้าไปอ่ อยให้มันเป็นรูปเป็นก้อนมันเป็นร่นเป็นก้อนมันก็จึงเป็นพบเป็นชาติถ้าเราเห็นมันมันก็ไม่เป็นรูนเป็นก้อนเรามันหลงเห็นมันรู้สึกตัวเวลาอะไรเกิดคุณรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ไปอถ้ารู้สึกตัวแล้วมันไม่ไปมันไม่เป็นใหญ่ได้มันโกรธรู้สึกตัวความโกรธไม่เป็นใหญ่มันหลงรู้สึกตัวความหลงไม่เป็นใหญ่ ความทุกรู้สึกตัวความทุกข์ไม่เป็นยายอั่นไปไม่ได้ของเทศของจริงมีอย่างนี้เราจะปล่อยปะแล้วเดิได้ยังไงเอาเรื่องนี้ก่อนชีวิตเราจะมียาวไกลขนาดไหนถ้ารู้จักหลักมันนี่แล้วก็ค่อมค่าไม่เชื่อชาติได้รู้จักเรื่องนี้ก็ต้องวิ่งกรามเขาไป เขาก็ลากเราไปจนสุนทุกข์จนถึงเกิดเจ็บเจ็บตายตายเกิดดับเกิดดับสุขก็ดับไปทุกข์ก็ดับไปแล้ว ก, ก็ดับไปโกรก็ดับไปหลงก็ดับไปดีใจเสียใจดับไปมันเกิดมันหลับมันพบใหม่พบใหม่พบใหม่หมเกิ ด, ดเรื่อยๆเกิดเจ็บตายไปเรื่อยในอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น แล้วก็ยังให้มันหลอกเราอยู่หลงแล้วหลงอีกโกรธแล้วโกรดอีกทุกแล้วทุกอีกที่มันเป็นเจ้าของชีวิตเราแทนที่เราจะมีเจ้าของที่เป็นอิสระนี่แหละกรรมาฐานเป็นอย่างนี้้าโปรดปล่อยตัวเองมาเปิดเผยตัวเองทะลุทะลวงออกไปอยา้มากบเกอนได้ <c oughs> เมอไม่มืดก็มีแสงสว่างเมื่อมีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์มีโกรธก็มีไม่โกรธมือเจ็บมีเจ็บมีตายก็ต้องมีไม่แจ็ไม่เจ็บไม่ตายอยู่ตรงนี้ต้องมีสิทธิหน้าที่ที่เราจะต้องใช้สิทติของเราเวลามันหลงไม่หลงเวลามันโกรธไม่โกรธเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์สธิของเราหัดใช้ถ้าเราไม่หัดใช้นันก็เป็นธรรมไม่ได้ เมือประชาธิปไตยถ้าใช้ผิดก็ผิดประชาธิปไตยจริงๆมันไม่รู้เรื่องนี้อันนี้เป็นธรรมมาธิปไตยมันรู้อย่างละเอียดของเท็จเป็นของเทศของจริงเป็นของจริงความหลงไม่จริงความรู้จริงความโกรธเป็จริงความรู้สึกตัวจริงมันเทียบไหลกันได้รู้จักเลือก ถ้าเราไม่มีสิทธิไม่ใช่สิทธิมันก็ยอมความหลงนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนความโกรธอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนความทุกข์อยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนสติปัญญาไปไหนหมดทำไมไม่ใช่บางทีมันก็ปิดบงังไม่รู้ทำให้มืดบอด มหลงก็ทำให้บอดไปเลยพมโกรธทาให้บอดไปเลยเกิดเจ็เจ็บตายทำให้บอดไปเลยต้องยอมรองให้เสียใจเป็นทุกข์คนที่อยู่เบื้องหลังก็คอยเป็นทุกข์ไปด้วยเราจึงถือว่างานของเราที่เรามาชัาวร้างนี่呀 ไม่ใช่เรื่องงานของขายงานชีวิตของเราแท้ๆถ้าเรามีหลักแร้มก็ไม่เป็นอะไรกับอะไรนี <c oughs> ่จะเห็นแจ้งตามความจริงได้ประโยชน์ได้ปัญญาถ้าเราไม่เห็นแจ้งก็มีทุกข์แต่โทษตัวใครตัวมันทำให้พอดีศึกษาแบบพอดีพอดี พอเพียงไม่ทุกข์ไม่จนอย่าไปทุ่มเทอย่าไปรีดตัวเองจนเกินไปมันจะได้อยู่มันจะสำเร็จอยู่ไม่ต้องไปรีดหลายแรงเช่นเราไปขุดดินเขาให้หลุมละ80ิบาด ก้องเมตรกล้เมตรหนึ่งยาวเมตรหนึ่งลึกเมตรหนึ่งขุดขึ้นมาให้เป็นหลุมแปดสิบบาทคนหนึ่งก็ไปขดุดขุดดินเฉยๆไม่คิดอยากได้เงินคนหนึ่งขุดเพื่ออยากจะได้เงินมันโวดแรงสองแรงขุดไปล่องเพ่งายสบายใจายหาปินไายกดินาย ถ้าดินนั่นเส็จก็มีชีวได้เงินแต่ถ้าคนหลังคนต้องหิวต้องอยากต้องเรีบต้องร้อนต้อง ท, ทุ่มเทอาจจะทุกขในเวลาทํางานน้นถ้าดินมันเดก็ได้เงินเท่ากันมันเป็นกรรมต่างกาังนตามความเพียรก็เหมือนกันต่างคนเอาความอยาก ให้ความอยากพาธรรมให้ความขยันพาธรรมให้ความขี้เกียจมาหยุดให้ความเบื่อหน่ายภาหยุดบางนี้ ก, เ ก, ก็เบื่อหน่ายต่อการกระทาเบื่อหน่ายต่อการสังสอนบางทีก็ขยันจนไม่รู้จักหลับจากนอนมันไม่ใช่นักทํางานนักทํางานจริงๆนะ่ยมันต้องสนุกไปกับการงาน ทำไรก็ไม่เป็นทุกข์หรือว่าการกระทำเป็นอาชีพไปเลยถ้าเป็นชาวนาก็ชาวนาอาชีพถ้าเป็นชาวไล่ก็ชาวไล่อาชีพเป็นชีวิตไปเลยมั่นใจ ทุวนนชาวนาก็ไม่ชาวนาอาชีพชาวนาสมัครเล่นฝนตกตั้งแต่ต้นปีน้ําเต็มทุ่งเต็มท่าไม่ดูจะปิดคันนาคันนาก็เล็กเด็กน้อยไต่ก็ไม่ได้ให้เหมือนเราเป็นชาวนาสมัยก่อนถ้าน้ำเต็มทุ่งเราก็ไม่หวังไม่ต้องคําว่าแรงไม่มี เราเบงคันนาปิดน้าไว้เราเฉลียน้ำของเราที่ไหลไปตรงไหนก็ได้รู้จักคัดน้ำเสนาตัวเองทวบอยู่ที่ไหนให้ไหลไปที่อื่นแห้งอยู่ที่ไหนให้มันไหลไปสู่คัดได้เจ้าของนาพ่อนาอาชีพ ชัวันนี้โอ้ยไม่ใช่ชาวนาอาชีพสมัครเล่นตานาได้ข้า2สองรอปิ๊บหมดเงินไปสา0หมืนบาทคุยอวดมีครูคนต่างได้ข้าวสองรปิ๊บนอดเงินค่าแรงไปสา0หมืนบาทมันสมัครเล่นน้ำเต็มท่งปล่อยให้น้ำแห้งหมด กันนามไม่ขุดไม่ปั้นให้เหมือนคนโวราณสอนกันปิดน้ำนาฝนตกไหนไปปิดท่องไปปิดร่องน้ำนาแบกจอบมิ่งลงในนาของตนปิดน้ำไว้อย่าให้มันพลาดน้ำมันไหลามาให้มันกักขังไว้เท่านั้นเดินสามขึ้นสามคำ่ำ เป็นบรรปิดคันนาเอาผุนไปใส่มีระเบียบแบบนั้นคนโบราณต้องนาที่ไหนที่ไปปล่อยออกปอบไปปิดไว้เวลาฝนตกครักงบางคืนมันจะได้กักขังเอาไว้แต่ความที่จะปิดก็แห้งอยู่ตลอดเวลาก็นที่ปิดไว้มันก็มีน้ำหมันก็้าได้ <c oughs> นี่เขาจันทชาวนาอาชีพ การใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกันให้เป็นนักปฏิบัติอาชีพสักหน่อยอย่าสมัครเล่นขยันแล้วจึงทําขี้เกยียจแล้วหยุดเอาความอยากเอาความเบื่อพาทําพาไม่ทำไม่ใช่แม้แต่เราทําเวลาจะหยุดก็ไม่ใช่เบื่อหยุดเพื่อสู้ไม่ใช่หยุดเพื่อเบื่อได้เวลาเรานั่งหรือเดินอย่างกรมนานๆ มันก็หมดแรงเหมือนกันแต่นอนลองหายใจเข้าหายใจออกใจมันยังสู้ยังขยันขว่าเวลาเดินด้วยซ้ำไปเวลานอนต้อจะลุกขึ้นมาทำงานต่อเช่นเราปั้นคณนนามันก็เหนื่อยหมดแรงยืนอยู่ตั้งสองสามชั่วโมงมันก็เหนื่อยเหนื่อยก็ วางร่างจอบลองนอนบนคนนาต่อเพื่อจะปั้นนาปั้นคัดนาพักผ่อนเพื่อทำงานมาใช่ผ่อนเพื่อขี้เกียจมันก็ต่างกันอะไรก็ทำได้มันก็รู้อยู่ลำดับลำนำอยู่งานแบบนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิการงานชอบเปลี่ยนชอบ ตั้งใจไว้ชอบตั้งสติไว้ชอบพูดชคคิดโชอบมันก็เป็นลมนัก <c oughs> ไม่เบื่อหน่อยก็ทําใจให้เป็นวางตัวให้เป็นในการทํางานดินจงกรมอย่าไปเพ่งอย่าไปชี้ จ, จ้งจังหวะก็อย่าไปเพงเปเป่งเกินไปก้มเกินไปเหนื่อยเกินไปวางตัวให้ดีๆแต่นั่งอยู่ก็ให้มันได้ฉาก แสงตามันจะอยู่ได้นานถ้านั่งอยู่ก้มเหมือนไปมันก็ไม่ได้ฉากบางทีก็ง่วงได้เครียดได้ถ้าเงยเกินไปมันก็คุ้มซ่อนถ้า ม, มีหลักอยู่เราต้องวางตาพอดีเช่นเราโดนอาดน่าหนังสือหงายหน้าขึ้นเพ่งขึ้นข้างบนอาน่านหนังสือไม่ได้นานต้องวางลงให้มันได้ฉาก ถ้มามนได้ฉากแล้วมันจะอยู่ได้นานความเพียรก็เหมือนกับฐานตั้งไว้ดีอาจจะอยู่ได้นานเดินจงกรก็อยู่ได้นานนั่งสร้างจังหวะก็อยู่ได้นานตั้งสติก็อยูได้นานมันมีที่ถูกอยู่ผมชอบมีอยู่ผมไม่ชอบมีอยู่ไม่แต่เราเดินทางบางคนก็เอาความเดินทางเป็นเรื่องยากบางคนก็เดินทางด้วยความสนุกสนาน แมันผ่านไปทุกก้าวบางคนเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงจะไหวไหมจะไหวไหมเอาความไหวเอาความไม่ไหวของขัานเอาความได้เอาความไม่ได้ของขั้นไม่ใช่นักทำงานต่อรองอย่างนั้นไม่ได้บางทีสามเดือนเอาจริงๆละ่ะ้าไม่ลูกํามเขาะจะสึกขาละเพศ นี่เหมือนกันถ้ามาอยู่ที่นี่มาสัญญากับเราผมจะตั้งใจประวัติสมเดือนนี่เอาให้เต็มที่ถ้าไม่บรรลุธรรมก็แสดงว่าไม่บริบูุณว่าชนาต้องจะได้ศึกไปแล้วก็เขาก็ศึกจริงๆอันนั้นไปต่อรองแบบนั้นมาได้เราต้องทำไปน <c oughs> ี่มักเป็นองคาทางาน เอียนชอบการงานชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบหลายหลายส่วนเวลาทางานอยู่ก็ตั้งใจชอบอยู่เรื่อยตั้งสติไว้ชอบเรื่อยเอาชิดชอบอยู่เรื่อยตามสนุนในการทํางานนี่บางทีมันการงานช่วโงหนึ่งอาจจะต่างกันวันหนึ่งอาจจะต่างกันไป ถ้าคนทำงานไม่เป็นเอาการงานเป็นเรื่องเข็ดหลาบปฏิบัติธรรมก็เ ข, ข็ดหลาบถ้าพูดถึงการปฏิบัติหลายยอมแพ้ถ้าเราทำโถกเท่าการปฏิบัติเรามันกระตือกรอโลนเวลาใดเราใดรั้งสร้างจวะอยู่กติของตนของตนมันสุดหัวใจเวลาใดเราใดเดินจะกมอยู่เช่นทางตนจงกรมมันก็สุขหัวใจสง่า ง, งาม อยากเต็นจะกลมให้แม่เห็นอยากเต็นจะกลมให้พ่อเห็นแต่ลูกชายของพ่อเนี่ยลูกสาวของพ่อเนี่ยได้ชื่อแบบนี้อ่ะยิ่งเป็นนักบวดหมเจีวอนหมพ่าขาวมันก็เป็นสิ่งเวทล้อมที่ดีเช่นหนูกหังเกงใส่เสื้อ ไปนอนอยู่ในป่าในกฎนกก็ว่าเวอาจจะมีภัยได้ถ้าโฮมจีวอลไปนอนในกฎมีบาทตั้งอยู่บนหัวมันอุ่นใจไม่รู่เป็นยังไงแล้วก็คนก็ไม่มองคนก็ไม่ได้มองว่าจะเป็นพิษเป็นภัยต่อใครไม่มีอะไร มันก็เป็นจริงเว็ร่องที่ดีช่วยเราได้สะดวกไม่ต้องไปเลาะแวงอะไรคนอนื่นก็ไม่ระแวงเรานม่เหมือนไทยเรามีนักบวชแบบนี้ถ้าใครเห็นนักบวชเขาก็เขาก็มีศรัทธาแล้วจกมือไหว้มีโอกาสส <c oughs> ะดวกกวาเป็นกระวาดยึงถือโอกาส บวดเป็นอุบายช่วยเช่นพระสิทธาเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องอุบายถ้าใส่ชุดอะไรปว่อยอยู่ในบ้านในโรงมันก็แปลก <c oughs> จึงกอดทิ้งไปห้องหอมผ้าฝาดผ่า ด, าดสีฝาดก็สะดวกอยู่กับเพ่งกับกลวงก็ได้ นี่จึงเป็นเรื่องดีสําหรับบางไทยเราเนี่ยแต่บองอื่นเชิดประเทศอื่นอาจจะไม่ดีบินเทบะก็ไม่ได้ไม่มีสถานที่ถ้าเป็นวัดอยู่ประเทศอื่นก็เหมือนบ้านเป็นรั่วเดียวกันกับบ้านเหมือนบ้านหลังหนึ่งข้างซ้ายข้างขวาก็เป็นบ้านโยมวัดก็เป็นอย่างนี้ไม่ไม่เหมือนวัดบางไทยเรา มันก็เบือนบ้านหลังหนึ่งที่โพลชาวว่านกันอยู่ก็เป็นตึกคอนโดก็อยู่ห้องหนึ่งข้างห้องเราไปก็เป็นของชาวบ้านเดินเข้าเดินออกผ่านใครผ่านมาเพียงแต่สมมติว่าเป็นวัดมันไม่เป็นรูปแบบเหมือนประเทศไทยเราจริงๆโชคดีที่เราเป็นคนไทย มีศาสนาแบบคนไทยในวัฒนธรรมแบบคนไทยในวัดวาแบบคนไทยมีรูปแบบแบบพระในเมืองไทยนับว่าโอกาสที่หาได้ยากแล้มีคนไทยที่เป็นญาติเป็นโยมองค์อุปถัมภ์ตั้งแต่พระราชาขึ้นไปจนถึงพระราชาลงมาถึงถึง ผู้ตุชนสตุชนชาประชา ช, ช, ช, ช, ชนทั่วไปนี่เรียกว่าสะดวกมากล้วช า, าติยาภาตโอกาสนี้แล้วจะไปอยู่ประเทศไหโลกไหนถ้าคนไทยไม่ได้บรรลุธรรมแล้วไม่มีคนชาติใดบรรลุธรรมแล้ว มาู้ธามว่ามันเหมือนคนไทยการตั้งสำนัก ง, งานพุทธศาสนาแห่งโลกแข่งขันกันมีประเทศคู่แข่งญี่ปุ่นว่างมีหลายประเทศแข่งกันเพื่อจะเป็นสำนัก ง, งานกลางของพุทธศาสนาทั่วโลก ก็อ้างอะไรหลายอะไรอ้างสถานที่ก็อ้างเงินก็อ้างกรรมการก็อ้างแต่บางไทยก็อ้างแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือพระราชามาประจัดเป็นสาธุก ป, ประถมพกทุกองมาล้วก็ยอมนั่งในกันส่วนประเทศอื่นไม่มีพระราชาเป็นปองค์อุปถมัมภ์ เราจึงโชคดีเป็นคนไทยในศาสนาแบบไทยประเพณีแบบคนไทยปฏิบัติธรรมแบบไทยๆแม้แต่ประเทศจีนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มานั่งอย่างเราไม่เป็นต้อจะมาใช้ชวิตแบบนี้ไม่เป็นไม่มีประเทศไหนนั่งพับเพียบเหมือนเราเนี่ยนั่งขัดสมาธิคนนั่งไม่เป็นด้วยซ้ำไป บางประเทศตอนตากคไปสอนพลังอยู่บดตั้งบอกเขานั่งคัศมารเขามายืนถามเรามาขี้หน้าเราเราก็นั่งอยู่ก็ามายืนถามน้ว่าคนรู้อะไรก็ามาสอนนี่เรื่องอะไรแล้วก็บอกว่าให้นั่งลง มันนั่งก็นั่งไม่เป็นนะกูจะมาดไม่เป็นมันเราก็าบางังคับใป้ น, นั่งนั่งเหมือนเราเนี่ยแล้วก็นั่งลงแต่มันขัดสมานไม่เป็นก็เลยเอเขานั่งเราก็บอกเขาว่าเรารู้ตัวเองกูรู้ตัวเองกูรู้ยังไงเราก็บอกเขายกบุญสรางอย่างวะอ่ะ ก็นั่นไม่มีชาติใดนั่งเหมือนคนไทยพระเพียบเทพพนมผัสมาสองชั้นสวยงามยิ่งมานั่งคัสมาถนั่งสว่างทิยิ่งดูดีไม่เหมือนนั่งเก้าอี้นะนั่งเก้าอี้เนี่ยก็ไม่เข้ากลมเกินเท่าไหร่อริบทของพูะเจ้าในพุทโธ ต้องหลอให้ปลางไม่มีปลางไหนนั่งเก้าอี้เลยก็มีจะนั่งกัจมารหรือยืนนะปลางมือต่างกันถ้า น, นี้เรียกว่าเรียกว่าปลางอะไรปลางมามิชัยถ้าดีในวัดปลางแต่จะรูตามปลางต่างๆที่ถ้านั่งของพระพุทธเจ้า แต่ก่อนก็มืออยู่อย่างนี้มานวิชัยยกมือมานี้อาจจะอะไรขึ้นไหวคิดตัวคิดกิเลสมันครอบงํา ม, มากยกมือออกมาพอยกตัว อ, ออกมาเนี่ยมานก็พ่ายแพ้อารู้สึกตัวยกมือเข้ายกมื อ, อ, อ ม, มีงามสวยงามเดี๋ยนี้ไม่มีนะในอินเดี ย, ยไม่มีแล้วอ่า น, นั่งที่จะให้ เหมือนพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธสาบสูญมาจากอินเดียนานก็มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ต่อมาพระเจ้าโศกลาดามาพื้นผูขึ้นมาหลายร้อยปีจึงมาพื้นผูใหม่สมัยอังกฤษของประเทศอินเดียเนาะมาค้นพบหลักฐานของวัธศธสนาหลายแหง่งเลย พื้นขึ้นมานายุศพระเจ้าโศกมาลาดสั่งทมโทษออกไปห้าสายมาสู่วางไทยแล้วเนี่ยเราก็ได้พูดสาระตอนนั้นเ่ามาเทิงทางไทยมันเข้ากันได้คมคืนกันเลยราจึงมีดีมาตลอดเราจะให้พาดในช่วงชีวิตเรามีอยู่เนี่ยศึกษาลนี้กันจริงจริงแท้ ถ้าไม่มีคนศึกษาลงนี้มันก็หมดไปแล้วดีใจที่เห็นพวกเรามาอยู่ร่วมกันกลัวอย่างเดียวคือกลัวคนจะไม่อยู่ในวัดมีความคนขวยญังนี้อยากให้มาอยู่สุขด้วยกันทุกต้วกันปฏิบัติด้วยกันแบบนี้นะอันนี้คืองานของเราเป็นงาน ที่มันมีศักดิ์ศรีเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เนี่ยเปลี่ยนโกรธเป็นความรู้เนี่ยนี่ศักดิ์ศรีของมนุษย์อยาให้หลงอย่าให้โกรธเป็นใหญ่เรามีสิทธิได้แค่สิทธิของเราส่วนนี่ให้มากมันก็จบเป็นมันก็จบเป็นแค่นี้เอง การรู้ธรรมก็เห็นมันเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับปายกับใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปเห็นอะไรนอกจากกาจากใจเรารู้ตัวเหล่านี้ไม่ไปรู้ที่อื่นไม่มีขอยืมขอใช้ไม่มีคำถามใดๆทุกคนรู้เองทุกคนก็หลงเองเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้เองสุขสนุกตรงนี้เลสมน้ำหน้า ตัวน้ำหน้าความหลงถ้ามันโกรธยิ่งดีจะได้สมน้ำหน้าความโกรธเหมือนโยงกัดเราไล่โยงออกงบป่กไปโน่นมันก็ชนะมันก็วิเศษแล้วนในกันเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธเป็นความตระโกรธมันวิเศษจริงๆนะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเปลี่ยนเพิ่มเปลี่ยนชาติได้ตรงนี้เปลี่ยนนิจเสกก็เปลี่ยนได้ตรงนี้ แล้วมันอยู่ที่ไหนเรื่องนี้มันกอยู่กับเราเนี่ยไม่ต้องไปเปิดที่ไหนศึกษาแบบล mm. ึกซึ่งไม่ใช่ลึกลับลึกลับมันต้องหาชิดใช่เหตุใช่ผลอะไรมาใช้เลยมันจะเอกันแล้วความหลงกับความโลภความทุกข์กับความโลภมันจะเอกันมันจะมาทางไหน <c oughs> อันที่ว่าหลงก็คือหลงนั่นแหละ หล ง, งต่างๆคือหลงลงตางหูคือหลงหลงทางจมูกดิ้นกายใจคือหลงอันทุกข์ก็ทุกข์ที่กายที่ใจที่เป็นทุกข์เพราะเหตุปัจจัยต่างๆมีเหตุมีปัจจัยอยู่ไม่ใช่เป็นรูปองค์เราก็รู้นี่หลักอริสัตยสี่ไม่มากมีการทุกก่อน มีสูตรกันทุกคนเราก็ต้องไม่พลาดได้ไม่สงสัยชัดเจนแม่นยำง่ายลี้ลับแต่การลึกซึ่งเห็นทันทีการลึกรลบมันมองไม่เห็นเป็นปัจจัตตังไม่ได้การลึกซึ่งเป็นปัจจัตตังการลึกลับไม่เป็นปัจจัตตังเป็นอดีตเป็นอนาคตปาปคิดเห็น <c oughs> คิดเห็นกับพบเห็นมันต่างกาันนี่คือสัจจะความเป็นจริงแม้มันหลงก็จริงมันหลงจริงจริงไม่หลงก็ไม่หลงจริงจริงมันทุกข์ก็ทุกข์จริงจริงแต่ไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์จริงจริงมันแค่กันได้ความไม่เที่ยงก็มีอยู่จริงแต่มันจริงแบบความไม่เที่ยงมันไม่จริงแบบความเที่ยง นี่มันมีอยู่เนี่ยเรียกว่าอาริสัตว์สี่ไม่ต้องไปถามใครเราจึงเห็นอะไรไปแค่ตรงไหนไม่ตรงตามแค่มีจุดเดียวเวลาเราลู้อยู่ก็มีจุดเดียวที่นี่แต่มันจะแค่เองไม่เหมือนกับโลกภายนอกโลกร่างกาย ปวดหัวก็จิงยาแช่ปวดพลาเซตามอนเป็นไข้ก็เป็นท้องก็จินเป็นแพ้ก็จินยาแช่แพ้ไปแต่ว่าอันโรคที่มันเกิดจากใจอันเดียวอันเดียวก็คืออันเดียวนะ่ะทุ ก, ก็ไม่มีพันธุ์ใหม่หลงก็ไม่มีพันธุ์ใหม่โกรธก็ไม่ใช่พันธุ์ใหม่คือโกรธเดียวไม่ใช่พันธุ์ใหม่สาย ห้าศูนย์ศูนย์เก้าที่เขาว่ากันอยู่นี่ยอันนี้มันอันเดียวของโหก่อนเดียวโอ้โสนก่อนเดียวอ้โสนก่อนเดียวลากเงาของอ้โสนอันเดียวรากเงาของโอ้โสนก้อนเดียวรากเงาของโอ้โสนคือลายมีไหมมากมันมีรากไหมเงา รู้จังไหมเมื่ีน้อยรากเงาของกุศสนคืออะไรรากเงาของกัปปุสสนคืออะไรมันไม่เกิดพันใหม่อันเดียวคืออะไรผู้เจ้าสอนว่าโลภะโทสะโมหะเป็นรากเง้าของอกุศสนโทสะโลภะโมหะอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราเนี่ยรากเงาของอกุ พลังเงาของกุศลก็คืออโทสะโมหะอโลพะมันก็อยู่ที่เนี่เกิดที่เดียวกันดับที่เดียวกันโมหะคือไม่หลงอโทสะเพื่อไม่โกรธ อ, <c oughs> อะไร <c oughs> เนี่ยเราคือโลภโกรธหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นแบ่งกันตรงนี้เส้นแบ่งกันสายปันกันตรงนี้ อันสันเหมือนสันบ่งแบ่งเขตสันแบ่งเขตน้ํามัดป่าวสุกโตก็มีสันแบ่งเขตน้ําที่ป้ายจุธารัดอันสันแบ่งเขตน้ำตั้งแต่วันตกก็ไหลจากตรงนี้ไปแต่วันออกก็ไหลจากตรงนี้มาสันแบ่งปันเขตน้ํำต่นน้าที่ ทางที่ฝนตกมันก็ไม่ไหลเข้าสระต้องไล่ทุ่งนาเขามันก็ไหลออกสระตางถ้าฉันแบ่งเขตน้ำทางนี่ก็ไหลเขา้าไหลซึมลงไปในสระในบ่อของเราอันฉันปันเขตอันกูชนอกูศนคือหลงโกรธโลก ถ้าหลงก็โกรธได้ถ้าหลงก็โลบได้ถ้ารู้ก็โกรธไปได้ถ้าไม่รู้ถ้าไม่ถ้ารู้ ก, ก็ทุกข์ไปได้มันแบ่งกันตรงไหนมันยากไหมเนี่ยมันไม่มีพัดไหนมีเท่านี้ใครโกรธก็เหบองกันหมดโดนความทุกข์ก็เหมือนกันหมดใครหลงก็เหมือนกันหมดแต่จึงมีอันเดียวนี่มีสติเนี่ยเข้าไป ริงว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่มีทำไม่ได้เรื่องนี้เวลามันหลงเราลู้ได้ไหมไปขอยืมใครมาต้องรอวัคซีนอยากใครมาแช่ความหลงมันก็อยู่กับเราเนี่ยเวลามันหลงก็ลู้ขึ้นมาให้ปรรลุกรรนค่าไม่เป็ น, กก น, ปนแบ่งให้เป็นแต่เป็นแบ่งตรงนี้มันก็ไปไม่ถึงไหน มันก็อยู่ด้วยกันมาตลอดถ้านระแบงก็ไปคนละทิศทางน้ำไหลาจากสุโกโตทางทิศตะวัตกก็ลงลำบะทาทางโน้นถ้าน้ำสุโกโตไหลาจากมาจากสวนสุทารัฐก็มาลงทางนี้ลงลำบะทาเหมือนกันแต่ลงบะเทาตอนบนแล้วหนึงลงลำบะเทาตอนล่าง ความโกรธก็หลงไปตําล่างป่าต่ําลงไปเป็นเปรตเป็นทุรกายคงไม่โกรธก็ไหลขึ้นทางเหนือป่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นมรรคผลนิพพานไปมันแยกตรงนี้เท่านั้นเองให้ทุกคนทํำนาที่อันนี้แยกให้เป็นเปลี่ยนให้เป็นเปลี่ยนไร้เป็นดีเปลี่ยนหลงเป็นรูนี่แหละเรียกว่าเปลี่ยนไร้เป็นดีเป็นหลงเป็นรูนี่แหละหรือว่าภาวนา นี่จ ว, ว, ว่าวัฒนะภาวนานี่จะพาไปหายนะคือหลงเป็นหลงหรือว่าหายนะก็นําไปนี่จึงปฏิบัติได้ให้ผลได้ควรที่จะพูดเอยชีวิตของเรามันทำได้อย่างนี้เหรอจะยิยนไหม <laughs> อาวันอยู่นี่แล้วเล่นมันอยู่นี่เลย เอาใหมันแหลกกเลยฮ่ะเหมือนเราจะทำไรเอาให้มันแหลกกันเล ย, จ, เเกกเลยจึงจะเหมาะสมการปลูกเปลี่ยนขึ้นลงเป็นรูปปลูกแล้วปลูกบักปลูกผลแล้วเปลี่ยนลงเป็นรูปปลูกไปแล้วโพธิก่ ข, ขึ้นมาแล้วถ้าหลงเป็นหลงลุกลงหลังถ้าลงเป็นรูปลุกโลงแล้วอมอง ามหลงเป็นความรู ป, ป่ะเหมือนคนมีความเพียรมองป่าเป็นทุ่งป่ปโดนลานท่านว่าอืออะไรอ่ ะ, <laughs> อะขยันแล้วเห็นเห็นตรงก็เป็นทุง่ง ถ้าขยันแล้วเห็นดงก็เป็นทุง่งขีข้านแล้วกลางบ้านก็ว่าดงภาษาอาาาาีสานมาใช่ไหมเจระสงสร้างกางดงก็ว่าทงเจระสงจะสร้างกางดงก็เป็นทุง่งถ้าขี่ข้้นแล้วกางบ้านก็ว่าเป็นป่าเป็นหลงโบราณนั้นว่าเจระสงแล้วเมื่อเกี่วสีดันฮอด เจ็บสงหยอดแจ้วในทรรจะคนหาฮกก็ชีหมดน้ำสนกะชีพาป้าขีอ่อนจันนาชิถาฟัางรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องไหมเร็สงแล้วเมื่อแก้วจิตเรียนหอดไก่เท่าไรก็ไปถึงเจ็บสงหยอดแจ้วในธรําจากคนหาหอดแจ้วคืออะไรคือมรรคผลนิพพาน อยู่ในถ้ำจะขุดถาหกกระเชมอนลบลงลังก็จะมุ่นเข้าไปน้ำสนจะมีขนาดไหนก็จะผ่าเข้าไปความยากเป็นความไม่ความโกรธเป็นความไม่โกรธผ่าไปความทุกข์เป็นความทุกข์ผ่าน้าสนสนไหมความทุกข์ขิเลสต้นหามนเป็นน้ำสนไปไม่ได้เหมือนชิ้นชัย ตามหาส่งมงมาช่างซ้อนงาป่าซ้อนเงี่ยงน้ากัดเหล็กกัดทองสินใจก็ยังตามออกทรงงาขึ้นมาได้ช่างซ้อนงางาช่างอยู่นะาจะไปได้หรือป่าซ้อนเงี่ยงกันเป็นซ้อนซ้อนเมื่ อ, มอไม่มีทางไปน้ามกัดเหล็กกัดทอง ยื่นนาบลงไปน้ำกัดเหล็กเลยแต่ข้างได้เหลือตั้งแต่ตดาบของชินชัยก็น้ำกัดไปแล้วสมุาชินชัยก็ยังตามเบาอาขึ้นมาลสุบันทาูกลักกบุจังถูกลักถูกยักกลุมพันธ์ทำมยไปจนตามเบาอาขึ้นมาได้ น่าสินใส่สู้ไม่ได้ก็ล่องหาสีโหมพี่ชายนายช่วยด้วยถ้าชีโหมมาช่วยไม่ได้ล่องเอาสังทองมาช่วยถามคนช่วยกันไปพากันไปถึงสุวรรณธาอยู่ในถ้ำกรมพันลักพาไปตามไปถึงสุวรรณทาแล้วสุวรรณทาก็ยังไม่อยากมาก็าติดกับยักษ์ ดเดมียคนยากกันแล้วสังทองที่โห่เส้นใจบังครับจะไปหรือไม่ไปจะกลับหรือไม่กลับแต่ถ้าไม่กลับจะตัดคอทิ้งเลยตัยวนี้เอ <c oughs> <c oughs> สุวรหลสาก็ยอมกลับก็กลับแ้่กลับมาแล้วอก็ขอลาพี่กมพันธ์หน่อยเถอะให้ไปลาก่อนไปแรกก็ต้องสังทองสงต่างไปอีก กาช่างไรดิฉันได้ถอดเอาสู่เมืองหน้าคือใครสังสังจิ๋นใสคือใครสังถงคือใครสีหัคือใครฮะฮะฮิ๋นใสคือใครสังถงคือใครสีหัคือใครฮะ อันนี้เป็นเป็นทชาดกปเป็นนิทานธรรมสังทองคือศีลสีหัวคือสมาธิศีลใสคือศีลสีหโคือสมาธิสังทองคือปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาไม่มีอะไรสู้ได้นะใช่ห มีไหมในเราเนี่ยอ่าเราจะงนนอนแงมก่อดแขงก็หนักแน่นไปสักหน่อยอยาวับหน่อยอ่าเรมันอ่อนแดง ก, กันไปหนักแน่นไปในใจหูมันอ่อนแดงหนักแน่นว่ะเวลามันโกรธจะพูดดังขึ้นไปก่อนนีมันสอนว่ายักษ์คือใครกิเลสตัณหามันพอใจมันติดได้อย่ากโกรธต่เพื่อนเลยไม่โกรธไม่ได้ สิน อ, อย่ากโกรธต่อเพื่อนรำหลมกายวาจาใจให้ดีไม่โกรธไม่ได่าสุขมุนธาไม่อยากกลับมาคนมีความโกรธเขาก็จะความโกรธได้ก็มีทุกข์ไม่ออกจากความทุกข์ได้ต้องช่วยเอาสินเอาสมาธิปัญญาช่วยมาสุมนทาสุขึออะไรคือจิตบริสุทธ มนธาตุคืออะไ้มนทินจิตของเราเนี่ยมันมันผ้าขาวบริสุทธิ์อยู่แต่มนทินมาเ ป, เปิดเื่อนกิเลตนามาเปิดเื่อนๆ อ, อันมนทินไม่ใช่จิตล่างออกไปศินสมาธิ ป, ปัญญาล่างออกไปก็เลยได้จิตบริสุทธิ์สู่เมืองเข้าโซพระนครได้คือมรรคผลนิพพานเอรังก็มีด้วยประการชนนี้น